ยมไปเป็นตบบาทเป็นงไงปวดขาไหมใจร้องเท่าหใร้องเท่าเป่าใจร้องเท่าก่อนไปเวลารับบาทมันค่อยถอดออกก็ได้ก็โอู้หกับเงินไทยบุรีสาจะให้ไปซ้อมกับหลวงปู่มีันตัาปูใช่ไามอ๋อุรีสา ยินาเมษาพุทธศาสเข้าไปปฏิบัติกัรหลวงปู่ถ้าถ้าไปเมือง ถ, <ป>ถ้าไปเมือ ง, งไทยกลับตามหาไม่เจอแล้วถ้าไปก็ต้องไปแบบว่ามาลาทอนละ่ะต้องมีรถประจำไปตามไปเรื่อย ร้อยห้าสิบวัจะได<ป S>้ <ไป S 1> หาเลือกดูบางทีอยากชอบเมืองไทยก็ได้อยากบวชวัดไหนก็ได้ <c oughs> นี่คนหนึ่งอยออสเตรเลียให้ไปหาทั่วประเทศไทยก็ไม่ชอบไปชอบอยู่อดิเลกก็เลยให้ไปจำภาษายู่เมืองอดีรีเลก จะหาวัดที่เข้าสานประจำน้าว่ารูจักไหมท่านหาวัดวัดไหนที่เข้าสานประจำวัดเข้าสานอยู่แล้วเราเน่ยเข้าสานหรือเปล่า เดี๋ยว จ, จะกลับมาเมืองไทยอีกแล้วนั่นเห็นไหละ่ะว่าจะไปเข้าซานอะไรเห็ <c oughs> นแต่ในขาเมืองนี่แหละเข้าซานพอสองสาวันเปลี่ยนซานใหม่ซ <c oughs> านก็ต้องอยู่ประจําไม่ได้วอกแวกใจอนอยู่ประจำํำใจเข้านิ่งเข้าสงบไปหาวัดที่ไหนวัดก็สงบหมดแต่ใจของเรามันสงบหรือยัง มีนาเมษาพฤษภาพฤษภาสงสัยอยู่ออสเตรเลียนั่นแหละพอาบสงการเมษาสงการฮ่องกงแล้วก็เลยไปออสเตรเลียเดออสเตรเลียแล้วกลับออสเตรเลียก็จะมาที่นี่ละที ถ้าไปก็ไปออสเตรเียด้วยแนะเป็นตาปลาขาวไปด้วยเขาหนา้าฝึกด้วยก็ดีไม่มีใครได้ภาษาไปพูดภาษาให้หน่อยเวลาเขาถามตรวจพาสปอร์ตจะพาทุดรงทั่วโลกไม่ใช่ทุดรงทั่วประเทศ <c oughs> <c oughs> มีหลวงพ่อที่เป็นลูิษย์ลวกปู่ขาวที่เนี่ยบาท่านเหมือนกันเจ้าค่ะท่านบอ ก, ก, ก, กไปสร้างวาัดที่อเมริกาก็มาชวนคนุณเวงว่าถ้ากเกษียณแล้วมาขอช่วยงา น, นได้ไหมอยากให้พาไปทั่วโลก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้รับปากหลวงพ่อก็ <c oughs> <c oughs> แล้ก็บุญวาสนาคนาุณเวง้าค่ะอืม <c oughs> อ๋อแล้วจะบุญวัตนาแล้ะ วาที่ไหนมันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่บุญตะกรร ม, ม เ, <S <S เห็นไหมละ่ะที่เราที่เราไม่ได้ปรารถนาก็จั้งในมาเจอถึงถึงเวลาแล้วก็เหมือนลูกส้มนั่นแหละลูกไม้นั่นแหละถ้ามันถึงเวลาเราไม่ต้องสอยมันก็ร่วง <c oughs> ถ้าบุญพอแล้วมันสุกแล้วไม่ต้องสอยมันก็ร่วงเองถ้าบุญเต็มเสียมแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่ไม่ได้ โดยเฉพาจิตใจของผู้ที่เบื่อหน่ายในโลกแล้วอยู่อยู่ในทางโลกไม่ได้นะบางคนถามว่าถ้าหากเป็นฆราวาจจ <c oughs> สจ้าโจรสําเร็จได้ไหมสําเร็จได้แต่ว่าอยู่แบบชาวบ้านไม่ได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มต้องอยู่พิเศษต้องไปพิเศษไม่อยากไปก็จําเป็นก็ต้องไป่ะ เพรมันเบือแล้วเปนุ่งข้างเก่งไม่ได้มันร่อนต้องบุญบารมีบังคับให้ออกไปให้ออกไปก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละถึงเวลาเราก็อยู่ไม่ได้ร่อนอยู่ที่ไหนร่อนไปไไปหมดอยู่ในประสาทราชวังเท่าไหร่ก็ร่อนไปหมดนเพราะโลกเนี่เป็นของร่อนร่อนมันร่อนทั้งนอกร่อนทั้งในด้วยที่นี่ผู้ไม่ได้ทำสมาธิภาวนาไม่รู้ว่าร่อนนอกร่อนในเป็นยังไง ก <c oughs> ิเลสภายนอกกิเลสภายในเปไ็นยะังไงนกิเลสภายนอกกับริเวณหมู่พวกลู่คนสถานที่อะไรต่างๆนานาจแต่กิเลสมันจะไปปรุงไปแตง่งกิเลสภายในก็บข่มปรุงแต่งภายในใจอีกอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามกัคิดถ้าอยากมีเราทํายังไงจะจะมีมันก็ต้องออกไปอีกเลยอวิชชาปัิญาสั้งขาราสรัางขาราปัญญาวิญญาณมันปรุงแต่งไม่สิ้นสุดแล้วเรี่องอวิชชา เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้บีบบังคับเอาไว้คืออย่าปรุงแตง่งธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความบุญบายนั่นไม่ใช่ธรรมของพระเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความสงบสุขนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าสุกเมื่อเราดูลมหายใจก็ออกถ้าเราดูเราเห็นเรารู้เนี่ยไม่ใช่พูดเฉยๆนะเรามาปฏิบัติ ด, ด้วยนั่นแหละทําว่าธรรมะปฏิบัติปฏิบัติ พยายามด้วยอำนาจบุญกุศล อ, อกจนได้ยอมรับหลานได้ติดพี่น้องได้เสียตละมาทําทานก็ดี <c oughs> ทำบุญก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้จงปกป้อ ง, องกบฏป้อง อ, อกจนได้ยอมรับหลานได้ติดพี่น้องมีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหา ย, ายจากทุกข์โศกภัยการงานจึงใดําเงินจึงใดโดยเฉพาะใ น, นใหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่ อ, อจงพากันตั้งห ก, ต, งกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นชินเห็นธรรม ในพุทธานี่เธอ <c oughs> <c oughs>